จเจริญพรท่านสาธุชนผู้ทัพอิษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่11เฉิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรร ม, มวัฒนาวันฝังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเติมมงคลให้แก่ชีวิตเพราะมงคลนี้เปรียบเหมือนกับน้ำมันหรือนะ้ำที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขมีความเจริญจิตใจต้องการมงคลจิตใจไม่ต้องการเงินทองเข้าของไม่ต้องการสามีภรรยา ไม่ต้องการบุตรธิดาจิตใจต้องการมงคลถึงจะมีความสุขถึงจะดับความทุกข์ได้เรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเรื่องของสามีภรรยาบุตรทิดานีแล้วดับความทุกข์ต่างๆไม่ได้กลับจะเพิ่มความทุกข์ต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นไปความสุขที่ได้ ก็เป็นความสุขเดียวยวพอความทุกข์เข้ามาแทนที่ความสุขนั้นก็หายไปไม่เหมือนกับมงคลของชีวิตที่จะทำให้ใจมีความสุขไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ดีร้ายอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะมาทําลายมงคลของชีวิตคือความสุขความเจริญของจิตใจได้ นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนมีวันพระกันวันพระ ก, ก็คือวันหยุดการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงเกียรติยศทางสามีภรรยาทางบุตรทิดาทรับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้มาหามงคลแก่ชีวิต ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สมสอนไว้ว่าการที่เราจะมีมงคลนี้เราจะต้องทำสิ่งดังต่อไปนี้คือหนึ่งจะไม่คบคนพาลสองจะคบบัณฑิต 3. จะบูชาบุคคลที่สมขวรแก่การบูชาเพราะการกระทาทั้งสามประการนี้ จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่จิตใจดังในภาพบาลีที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าอาเซวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปุงชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังเอตัมมังกัลมุตตมังก็แปลว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งอเซวนาจะบาลานัง แต่ว่าไม่คบคนพาลคนพาลนี่หมายถึงคนโง่อคนไม่ฉลาดคนไม่รู้ธรรมเจ็ดประการคือไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลไม่รู้สังคมไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ประมาณนี่คือคุณลักษณะของคนพาลคือคนโง่อ คนพาลมักจะทําอะไรไม่ถูกทําแล้วแทนที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์กับเกิดโทษเพราะไม่รู้เหตุที่จะทําให้เกิดคุณเกิดโทษเป็นอย่างไรก็เลยมักจะไปทําเหตุที่ทําให้เกิดโทษเช่นไปดื่มสุรายาเมาไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนโง่เป็นมิตรมีความเกียดคร้าน นี่คือเหตุของความเสือ่อมของความทุกข์ไม่ใช่เหตุของความสุขของความเจริญแต่คนพาลคือคนง่จะไม่รู้จะคิดว่าเป็นเหตุของความสุขของความเจริญเพราะคิดว่าเล่นการพนัดแล้วได้เงินมาก็จะรวยจะมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าเล่นแล้วก็มีเสียได้มีได้ก็มีเสียได้ เวลาได้ก็อยากจะได้เพิ่มก็เล่นต่อพอเล่นไปก็เสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออีกเดี๋ยวก็เสียหมดหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเขาว่าขโมยขึ้นบ้านนี่ยังดีกว่าเล่นการพนันเพราะขโมยขึ้นบ้านนี่เอาเพียงแต่ข้าวของเงินทองไปเท่านั้นเองไฟไม้บ้านก็ดีกว่าเล่นการพนันเพราะเวลาไฟไม้บ้าน ไม่ได้แต่บ้านกับข้าวของเท่านั้นแต่ที่ดินยังไม่ไม่ได้แต่คนเล่นการพนันนี้เสียหมดเลยตอนต้นก็เสียข้าวของเอาเข้าวของไปขายเพื่อที่จะมาเล่นต่อเมื่อหมดแล้วก็ขายบ้านเมื่อขายเมื่อหมดแล้วก็ขายที่ดินแล้วต่อไปก็ขายชีวิตไปกู้หนี้ยืมเสินจากผู้ที่มีอิทธิพล พอไม่มีเงินจ่ายเขาก็ถูกเขาตางค่านี่คือพิษของการเล่นการพ น, นันที่คนผ่านจะมองไม่เห็นจะคิดว่าโอ้ยเล่นแล้วจะได้จะสบายไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยยากแต่การเล่นมันต้องมีได้มีเสียถ้าเราได้คนเดียวก็ไม่มีใครอยากจะเล่นกับเราดัางนั้นอย่าไปหลงคิดว่าการเล่นการพ น, นัน จะเป็นเหตุของการความสุขความเจริญเป็นเหตุของความวิบัติเป็นเหตุของความสูญเสียเป็นเหตุของความทุกข์เช่นเดียวกับการดื่มสุรายาเมาก็เป็นอย่างนั้นคนดื่มสุรายาเมาเขาคิดว่าดื่มแล้วเขาสบายใจแต่ก็สมายเฉพาะตอนที่ดื่มพอหลังจากนั้นก็จะติดสุรา เวลาไม่มีสุราดื่มก็จะทุกข์แล้วเวลาดื่มไปแล้วก็จะทําให้มืนเมาแล้วก็อาจจะไปทําสิ่งที่เสียหายได้ท่านบอกว่าคนที่ดื่มชุราแล้วมักจะต้องไปทําผิดศีลข้ออื่นไปฆ่ากันไปประพฤติผิดตัวอื่นไปลักทรัพย์ไปพูดจาอยาบคายนี่คือลักษณะของ ผู้ที่ดื่มสุราามาพอเวลาดื่มแล้วจะไม่มีสติป ะ, ะคัจรพคองการกระทำทางกายวาจาใจคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดคิดอยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาคนดื่มสุราแล้วมักจะมีปัญหาตำรวจเขาถึงห้ามไม่ให้ดื่มสุราเวลาขับรถยน เวลาขับรถยนต์ถ้าถูกตำรวจเรียกนี่เขาจะเรียกไปตรวจเลือดเลยดูว่ามีผลมีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดเท่าไหร่ถ้ามีเกินก็ถูกปรับดีที่เขาเรียกเพราะถ้าไม่เรียกเดี๋ยวขับรถไปก็ไปชนกันตายได้เพราะเวลาเมาแล้วจะไม่สามารถที่จะขับรถได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเมือนการดื่มเช้านี้ มีโทษหลายประการข้อที่หนึ่งก็เสียเงินเสียทองข้อที่สองก็เสียเวลาอาจจะทำให้เสียงานเสียการด้วยถ้าเดินชรามากๆตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่ไหวก็ไม่ได้ไปทำงานถ้าขาดงานบ่อยๆเดี๋ยวก็ต้องตกงานถูกเข้าไล่ออกจากงานนี่คือโทษทางทางเงินทองโทษทาง ร่างกายก็จะทำให้มีโครคภัยไข้เจ็บตามมาโรคตับแข็งโรคตายก่อนวัยหมอก็ห้ามดื่มชูราเพราะเป็นเป็นเป็นเสียงต่อโรคภัยต่างๆใครที่ดื่มชูราแล้วมักจะเป็นมาเรนกันง่ายเป็นโรคอะไรต่างๆได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เป็นทำให้ชีวิตไม่อยู่ยาวนาน อายุ5 60ก็ตายนเสียเงินแล้วเสียเวลาแล้วต้องมาเสียชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องเสียสติเวลาเดิมสุลาก็ไม่มีสติควบคุมใจอรารวาพูดด่าคนรอบตัวทำให้คนที่อยู่ด้วยทนอยู่ไม่ได้ทำให้ต้องเสียครอบครัวไป เพราะไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนเมานี่คือคนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลหรือว่าเห็นเหตุก็เห็นแบบเหตุที่อยากจะเห็นแต่เหตุที่ไม่อยากจะเห็นก็ไม่ยอมเห็นไม่ยอมมองกันก็เลยมีชีวิตที่ไม่ดีคนที่ดื่มสุราคนที่เล่นการพ น, นันคนที่เที่ยวกังเืิก็เหมือนกัน เที่ยวกลางคืนก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเที่ยวมากๆเดี๋ยวก็ไม่มีเงินพอใช้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกู้ไม่ได้ก็ไปลักทรัพย์ลักทรัพย์ถ้าไปเจอเจ้าของทรัพย์ก็ต่อสู้กันก็อาจจะฆ่ า, าเจ้าของทรัพย์ตำรวจจับได้ก็จับไปติดคุกติดตราถ้าโทษ ก, ก็ประหารชีวิต อันนี้เกิดจากการไม่รู้เหตุไม่รู้ว่าการเสพสุรายาเมานำไปสู่การกระทำบาสนำไปสู่การกระทำที่เป็นโทษต่อผู้กระทาแต่ถ้าเราไปคบกับบัณฑิตบัณฑิตนี้จะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณอย่างบัณฑิตที่ ที่บัณฑิตที่ฉลาดที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่เรามาวัดนี้เป็นการเข้าหาบัณฑิตคบค้าบัณฑิตคบคนฉลาดเพราะอยู่กับคนฉลาดจะได้ความรู้จากคนฉลาดอยู่กับคนโง่ก็จะได้รับความโง่จากคนโง่ถ้าอยู่กับคนโง่เขาก็จะชวนเราไปทาในสิ่งที่โง่โงเช่นชวนเราไปเที่ยวกลางคืน ชวนเราไปดื่มสุรายาเมาชวนเราไปเล่นการพนันชวนให้เรามีความเกลียดครัง้งนี่คือลักษณะของคนโง่อยู่กับใครเขาก็จะมักชวนทําในสิ่งที่เขาทําถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราเดื่มสุราถ้าเราไม่ดืม่มเขาก็จะไม่คบค้าสมาคมกับเราเราเกรงใจกลัวจะเสียมิตรก็เลยต้องดื่มกับเขา แล้วชวนไปเที่ยวก็ต้องไปกับเขาทำไปทำมาก็เลยติดตอนต้นก็ไม่ติดทำไปเพราะความเก่งใจแต่พอทำไปไม่ไม่กี่ยงข้างก็ติดขึ้นมาพอติดแล้วเขาไม่ชวนก็ไปเองแลวเพราะตนเองได้กลายเป็นคนโง่ไปแล้วไม่ต้องให้มีคนโง่มาชวนเพราะตนเองได้กลายเป็นคนโง่ไปแต่ถ้ามาคบกับบัณฑิตคบกับคนชรา บัณฑิตก็จะสอนว่าอย่าไปเสพอบายามุขอย่าไปทำบาปให้มาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเหตุที่จะนำมาสึ่งความสุขและความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจนี่คือนักษณะของบัณฑิตกับลักษณะของคนพาน ให้เรารู้จักเลือกนอกจากคนพาลกับคนบัณฑิตที่มีอยู่ข้างนอกเราแล้ ว, ลวเรายังมีคนพาลกับบัณฑิตที่มีอยู่ในใจเราด้วยในตัวเรานี้ก็มีทั้งคนพาลมีทั้งบัณฑิตเช่นเวลาที่เราคิดจะทำบาทนี้แสดงว่าคนพาลกำลังมาชวนเราแล้วเวลาที่เราคิดจะดื่มสุราเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืน นี่แสดงว่าเรามีคนพาลอยู่ในใจเราแล้วงั้นเราอย่าไปเชื่อเขาเขาชวนเราไปทําบาปอย่าไปทําชวนเราไปเล่นการพนันอย่าไปนอกจากนั้นเราก็มีบัณฑิตอยู่ภายในใจเราด้วยเช่นวันนี้บัณฑิตก็ชวนให้เรามาวัดกันมาทําบุญกันบางทีเราไม่มีบัณฑิตชวนมาไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักชวนมา แต่ใจเราคิดไปเองก็ได้คิดว่าเออวันนี้เป็นวันพระมาทำบุญดีกว่ามารักษาศีลดีกว่ามาสร้างจิตใจให้ความสงบกับจิตใจดีกว่าเพราะความสงบนี้เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงเพราะพระพุทธเจ้าสุขและเจริญที่จิตใจเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเพราะความสงบของจิตใจความ ความสงบนี้จะทําให้ใจมีความอิ่มมีความพอจะไม่มีความอยากได้อะไรเมื่อไม่มีความอยากได้อะไรก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเสกอบายามุขไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําบาสนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาสร้างให้แก่จิตใจของพวกเราก็คือการมาทําใจของเราให้สงบกําจัด สิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สงบก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเวลามีความโลภแล้วเราอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทำสิ่งที่เราอยากได้ถ้าไม่ได้ทำก็หงุดหงิดลาคาญใจอาลวาดได้ไง่ายๆใครมาอยู่ใกล้นี้จะไม่อยากจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะเวลาคนมีความโลภความอยาก หรือมีความโกรธนี้จะอารมณ์ไม่ดีจะพูดไม่ดีจะทำอะไรไม่ดีไม่มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถมาทำใจให้สงบได้ความโลภความโกรธความโงความอยากต่างๆก็จะสงบตัวไปแล้วเราก็จะอยู่เป็นสุขอยู่เฉยๆได้จะมีความเมตตาได้จะมีความามีอารมณ์ดี จะคิดดีพูดดีทำดีเกิดจากการทำใจของเราให้สงบนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันออนอกจากการไม่ทำบาปนอกจากการทำบุญแล้วก็ให้เรามาสร้างความสงบให้แก่ใจการทำบุญไม่ทำบาป ก, ก็ช่วยทำให้ใจสงบได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังสงบไม่เต็มที่สงบแค่ร้อยละหาสิบทำบุญก็ได้ร้อยละ25ไม่ทำบาปก็ได้ร้อยละ25แล้วถ้ามาปฏิบัติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะได้ความสงบเต็มร้อยถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่ไปทำผิดศีลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมีศีลกี่ร้อยข้อกรต่าง เราจะไม่ไปทำเพราะเราไม่มีความอยากจะทำอะไรไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วเมื่ออยู่เฉยๆได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรคนที่ทำบาปเพราะเพราะว่าอยู่เฉยๆไม่ได้เพระอยากจะดื่มสุราก็ต้องไปหาสุรามาดืม่มพออยากจะมีเงินถ้าไปทำงานหาเงินไม่พอใช้ ก็ต้องไปรักทรพย์ไปช่อดวงนี่คือการกระทําที่เกิดจากความอยากต่างๆแต่คนที่ไม่มีความอยากแล้วจะไม่ทำอะไรเช่นพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยทาบาปเลยไม่ทาบาปเลยพาาระอรหันตา์ตาวงทั้งหลายท่านไม่ทำบาปเพราะท่านไม่ต้องการอะไรเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขกับท่านได้เท่ากับความสุขของความสงบ นัตถิสันติปารังสุขขังสุขอื่นใดในโลกนี้ที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีมีความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงผู้ใดได้พบกับความสงบแล้วจึงไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการทรัพย์ไม่ต้องการลาบยศสารละเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกนิก้วกายจึงไม่ต้องไป แก่งแย่งชิงดีกับผู้ไม่ต้องไปชอบโกไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงเพราะไม่มีความต้องการอะไรใจของพวเรานี้เราสามารถทำให้มันอิ่มได้ทำให้มันพอได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรตอนนี้เราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุข ถ้าเรามีมากๆแล้วจะพอไม่มีวันพอหรอกงั้นจะมีเศษเศษถีเป็นหมื่นล้านแสนล้านไปทําไมเงินหมื่นล้านแสนล้านเอาไปทําอะไรได้กินข้าวมื้อหนึ่งใช้กี่ตังค์กันชีวิตนี้อยู่ไปจนวันตายจะใช้เงินสักกี่ตังค์กันกินข้าววันละกี่บาทปีละกี่บาทแปดสิบปีร้อยปีจะกินไปสักถึงล้านหรือเปล่าถ้ากินแบบประหยัดไม่มีวันถึงหรอก แต่ความอยากในใจมันไม่พออยากเท่าไรอยากเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างโบราณเขาพูดไว้ว่าได้คือบก็อยากได้เป็นศอกได้เป็นศอกก็อยากจะได้เป็นวาเป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นายร้อยก็อยากจะเป็นในพันเป็นในพันก็อยากจะเป็นในพนเป็นนพนก็อยากจะเป็นนายกต่อไปเรื่อยๆเป็นนายกก็อยากจะเป็นไปเรื่อยๆ ถ้าไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ก็จะเป็นไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อนี่คือความโลภไม่มีวันพอต่อให้ได้อะไรมากมากร้อยเพียงไาก็ไม่พอเพราะสิ่งที่ได้มาไม่สามารถทำให้ใจพอไนดะ้สิ่งที่จะทำให้ใจพอได้มีเพียงสิ่งเดียวคือความสงบดังนั้นเราควรที่จะมาลองปฏิบัติทมกันดูลองมานั่งสมาธิกันดู ลองมาพุทโธพุทโธกันดูสร้างสติขึ้นมาถ้ายังไม่มีสตินั่งก็ไม่สงบนั่งแล้วก็ฟุ้งเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธไปทั้งวันตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปไม่ว่าทำอะไรก็พุทโธไปจะหยุดพุทโธก็ตอนที่ต้องใช้ความคิดกับการํารงานถ้าเวลาทางานก็หยุดพุทโธ เวลาไม่ได้ทำงานก็พุทธโทรไปพอพุทธโทรแล้วใจจะว่างใจจะเบ า, ใจ จ, เบาใจจะสบายแล้วพอไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งหลับตาพุทธโทรพุโทโธต่อไปเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบ พ, พอสงบแล้วก็จะพบกับความพอพบกับความอิ่มจะไม่อยากนีไม่อยากได้อะไรมีเงินทองมากน้อยดีไม่ดีก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลย ไปอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนแล้ววุ่นวายอยู่กับคนมีเกเร่นี่เหนื่อยหาให้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอสู้ไปอยู่คนเดียวดีกว่าไม่มีใครมากวนใจมีเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้เขาไปบวชเลยใครอยากจะได้อะไรเอาไปฉันขออย่างเดียวฉันขอความสงบขออยู่คนเดียวนี่คือเหตุผลที่คนออกบวชกันหลังจากที่ได้ปฏิบัติแล้ว พอได้พบกับความสงบแล้วก็ไม่อยากจะได้อะไรอยู่กับคนโลภ ก, ก็เบื่อฮะมีแต่มาขอมาสั่งใ ห, ห้หานู่นหานี่มาให้อยู่เรื่อยๆสู้ไปอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องเป็นมาเป็นขี้ข้าของใครนี่คือคนที่มีความสงบแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะออกบวชกันบวชแล้วก็ไม่สึกกันเพราะไม่รู้จะสึกไปหาอะไรที่ไปบวชก็เพราะว่า ต้องการที่จะไปอยู่คนเดียวต้องการที่จะอยู่กับความสงบตอนเวลาอยู่กับคนอื่นน้ามันวุ่นวายหนอนี่คือลักษณะของผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมไดสัมผัสกับความสงบแล้วจะไม่ต้องการอะไรจะไม่ต้องมีอะไรเพราะว่าได้พบกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่สามารถเอาติดตัวไปได้ เวลาร่างกายตายไปความสุขนี้ก็ไม่หายไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขนี้ก็ไม่หายไปไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายพอร่างกายแก่ก็หาไม่ได้แล้วจะไปเที่ยวก็เที่ย ว, ยวไม่ไหวแล้วจะไปเล่นการพนันก็เล่นไม่ไหวหูตาไม่ดีแล้วนี่คือความสุขทางร่างกาย มีวันเสื่อมมีวันหมดแต่ความสุขทางใจนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเวลาร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็เฉยเฉยใจที่สงบแล้วจะเฉยกับความแก่ของร่างกายเฉยกับความเจ็บเฉยกับความตายของร่างกายแต่ใจไม่สงบนี้เฉยไม่ได้ เพราะยึดติดกับร่างกายเพราะต้องการใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้พอคนรับใช้ไม่สามารถรับใช้ได้ก็เดือดร้อนขึ้นมานี่คือความสุขที่เราหากันทุกวันนี้เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายนี้มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราจะสุขไปตลอดสุขไปหลังจากที่ตายไปแล้วก็ยังสุขอยู่เหมือนเดิมใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาลกตอนนี้ไม่มีร่างกายแต่ก็ยังมีสุขเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจเหมือนเดิมใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเรามาทําบุญเรามารักษาศีลกันได้และเรามาชําระ ความโลภความโกรธความหลงมาทําใจให้สงบได้ใจของเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าเหมือนของพระอาหารหันต์แล้วเราจะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระอาหารหันตสาวกมีจริงหรือไม่เพราะสิ่งที่เรามีนั้นมีเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์มีนี่คือการพิสูจน์นี่คือการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา การบูชานี้มีสองลักษณะบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนกราบว่าเรียกว่าอามิสบูชาบูชาด้วยอีกบูชาชนิดหนึ่งก็คือบูชาด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าเรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาทั้งสองชนิดนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติบูชาเป็นกา ร, รบูชาที่แท้จริง เพราะเป็นการบูชาที่จะทำให้เราได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอาหารตสาวกได้พบกับความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เป็นเป้าหมายของการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนนี้ยังไม่สามารถทำให้เราพบกับพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถทำให้เรา พบกับความสุขที่แท้จริงได้จะพบกับความสุขพบกับพบระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติบูชาดังนั้นถ้าเราอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าขอให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติด้วยการไม่คบคนพานให้คบบัณฑิตให้ชำระใจของเราให้สะอาดบดเสจากความโลภความโกรธความหลงให้ใจของเราสงบแล้วเราจะได้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 จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกปัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ